ความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่รมพระโพธิญาณได้นำเสนอบา ร, รมีหลักคือทานศีลเนคขมะปัญญามาตามลำดับัะอย่างที่บอกไว้ในวันแรกที่พูดถึงเรื่องปัญญาบา ร, รมีคือแม้แต่ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะเน้นไปที่ภาคใช้งาน โดยเฉพาะปัญญาบารมีของท่านโมสดโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นปัญญาภาคใช้งานเป็นหมายความว่ามีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ในรุดเร็วทันทีทันใดโดยเรื่องบางเรื่องจากที่ยกตัวอย่างที่ตอนท่านเป็นเด็กๆอายุหกเจ็ดขวบที่ไปพิพากษาคาดีนางยักษินีปลอมตัวเป็นผู้หญิงมาแย่งลูกของผู้หญิงคนหนึ่ง ก็ต่างคนต่างก็ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครรู้จักคนทั้งสองคนนี้เพราะงั้นอาจหาไปจากพยานได้ยากท่านพิพากษาตัดสินให้แย่งกันถ้าใครแย่งได้แล้วก็คนนั้นก็เป็นแม่จริงๆเพราะก็พอเริ่มจับแย่งเนี่ยแม่พอลูกร้องแต่นั่นเองปล่อยมือทันทีเลยกลัวลูกจะเป็นอันตรายยากินนีก็ทึงเต็มที่เลยนะเพื่ะจะเอาไปกิน แต่ก็ตัดสินทันทีเลยว่าไม่มีแม่คนไหนทเนเห็นลูกเจ็บปวดได้หรอกเพราะเธอไม่ใช่แม่คนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้คือแม่แต่เราดูตรงนั้นเนี่ยมันตามตามคำตกลงเนี่ยคล้ายๆกับคนที่ได้เนี่ยคือแม่แต่เป็นอุบายวิธีในการพิสูจน์ทดสอบคนว่าจริงๆและความรู้สึกนึคิดไปในใจจริงๆของท่านเนี่ยเป็นยังไง เพราะฉะนั้นปัญญาที่แก้ไขปัญหาต่างๆสารพัดเรื่องบรรยาเยอะแล้วก็เกษตนกไออะไรกามินเทวิ น, นะอะไรในพวกอมตะทั้งหลายนี่สร้างเรื่องเยอะนะฮะเราเรีเว่าเป็นปัญญาภาคภาคสนามหมดมันเป็นภาคของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราเรียกรวมรวมปัญญาในการบริหารตัวเองบริหารตนบริห า, รานคนบริหารงานนะฮะปัญญาในภาคบริหารที่ท่านเรียกว่าปริหา ร, รยปัญญา คือปัญญาที่บริหารตัวเองได้ซึ่งก็หมายความมาโดยหลักของการปฏิบัติเ่มันจะต้องศึกษาชัดเจนในแต่ละกรณีของเรื่องนั้นหนึ่งคือต้องชัดเจนในตัวสภาพของปัญหาสภาพปัญหาที่ปรากฏแล้วก็องค์ประกอบของปัจจัยที่สืบต่อกันมาอย่างเงี้ยว่าสภาพปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วก็อย่าละเลยข้อมูลบางประการนะ โดยเหนว่าใล้ๆกับปัญหาในบ้านเมืองเราคือปัญหาความยากไร้ปรัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาขาดการความไม่รู้นะฮะปะัญหาความไม่รู้ปัญหาอยาวำยากไร้ปรัญหาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปัญหาขาดการวางแผนครอบครัวเนี่ยโดยเจนว่าเป็นปนัญหาทาวน์แล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยนะที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละและประเทศอินเดียยังมีมากกว่าเราเลย นะแต่ปัญหาที่เราไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าแสดงกันเนี่ยเพราะว่ากลัวคนฟังก็จะเสียใจจะน้อยใจเนี่ยต่มาเคยพูดอยู่เรื่อยเวลาไปบรรยายในพวกที่เกี่ยวกับแป่นดินทนําแผ่นดินทองนะฮะคือก็จะตั้งอบายยมุกไปเยอะอัมาบอกว่าเอาขนาดนั้นนี่ยมันคงยา ก, ก น, นะแต่ขอสามอย่างก่อนได้ไหมคือหนึ่งความไม่ขยันในการทํางานก็ที่จริงก็คือเกียดคร้านหรือขี้เกียจนี่แหละ แต่พอพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคนมันนอนอยู่เนี่ยมันมันอย่งบอกว่ามันขยันอยู่เลยเหมือนคนเมาเนี่ยใครไปว่าแกเมาแกโกรธเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจเนี่ยใครไปว่าแกขี้เกียจแทนแกจะโกรธแล้วก็คนมันก็อาศัยการเมืองคือตัวเองก็กลัวว่าคะแนนเสียงจะเสียนะแต่พูดอย่างนั้นก็เลยไม่ยอมพูดแล้วปัญหามันก็แก้ไม่ได้แล้วก็การเล่นการประนันกระสิ่งเสพติดอัลต์มายังเคยมองนะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพูดคนเหล่านี้ คือถ้าพวกเราจะตั้งปัญหาถามให้คิดว่าเอาแหละสมมติว่าคุณอยากได้ที่ดินแล้วก็รัดจัดสรรที่ดินให้แต่ปัญหาว่าเนี่ยคุณมีความมันขยันพอจะพัฒนาที่ดินรักดินแล้วก็เพิ่มผลผลิตขึ้นในพื้นดินตรงนี้ได้หรือไม่ที่แน่นอนตรงนี้มันไม่จะทำได้เฉพาะขยันมันต้องมีความฉลาดมีความรอบรู้มีการศึกษามีปัจจัยเสื่อมไป ต, ต่างๆอีกเยอะเลยพร้อมหรือเปล่า ในจุดตัวนี้องค์กรพร้อมแเปล่าก็ต้องคุยกันก่อนแล้วเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะงดเว้นอาบายามุกสองข้อใหญ่ได้ไหมคือเสพสิ่งเสพติดกับการพนันถ้าโยตตัวอื่นได้ด้วยนั่นก็ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอสองอย่างนี้ได้ก่อนสามอย่างนี้ได้ก่อนแต่เราเห็นว่าเป็นปัญหาคำมาขี้เกียจหรือเกียดครานเนี่ยมันค่อนข้างขาดใจแล้วก็ทาให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้น แต่ถ้าเราถามจริงๆไม่ต้องหลอกตัวเองเราขี้เกียจหรือเปล่าแล้วก็ขี้เกียจเยอะนะฮะแต่เราไปต่างจังหวัดได้จริงยิ่งจะเห็นชัดเจนเลยบางทีจะมาไปบางทีก็นั่งเรือเลาะริมแม่น้ําเลื่มคลองไปเลยนะดนนโดดก้นน้องไปแถวตอนเที่ยงนี่คือแสดงให้เห็นว่ามันเราปล่อยการเวลาไปเยอะทีนี้ เหตตัวนี้มันเป็นสภาพปัญหาแล้วก็เป็นสาเหตุของปัญหาสภาพปัญหาเนี่ยถ้าส า, สาเหตุตรงนี้ไม่ได้เราแก้อย่างไงก็ตามนะเราเห็นว่าที่จริงพวกตัดไม้ทําลายป่าพวกปลุกป่าเนี่ยบุกรุกมากี่แปลงเราก็ไม่รู้นะมันไม่มีการจดบันทึกอะไรเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไว้นะฮะแม้แต่อะไรละเกลนราศีสไลด์อะไรต่างๆคือว่าเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะไร ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่แบบสบายๆมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโครงสร้างราชการของไทยเราเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เฉื่อยมากนะติดต่อสื่อสารกับทางราชการแล้วก็งงเลยแหละอย่างอาตมาในี่ยทำงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สองพันหรอยยี่สิบเจ็ดทำไม่ได้อยู่ปีหนึ่งคือสองเก้า พอทมอเขาอ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็อ้างงานที่เกี่ยวกับประสบสุดเด็ดยากเนี่ยจนในที่สุดกระจบลงเลยเราทําไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราจะเห็นว่ามันประสานราชาการเนี่ยจะช้าจะอึดแหละเพราะระบบเขาเยอะเงื่อนไขกฎเกณฑ์เขาเยอะแล้วก็ล่าช้าล่าช้าแล้วก็วันหยุดนี่ก็เยอะด้วยก็ทําให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปลดไอ้พวกยุ่มยิ้มตรงนี้ออกไปนะ แล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรได้เยอะทีนี้สภาพปัญหาหลักเนี่ยมันคือมนุษย์จะเห็นแก่ตัวคือต้องการสะดวกสบายทะนุถนอมตัวเองต้องการสะดวกสบายต้องการได้มากๆมนุษย์มันมีขันความขัดแย้งก็อยู่ในตัวมนุษย์เองถ้าคนที่ไม่มีความขัดแย้งนะขจัดไอปัญหาอุปสรรคข้างไ ม, ไม่ต้องพูดข้างนอกแล้วข้างในในตัวเราเองเนี่ยก็จัดออกให้ได้เราสังเกตว่าสัตว์โลกเนี่ย อยากได้นะะโลกอยากได้อยากได้เยอะเยอะเมั่ก่อนนดูข่าวอะไรว่าอเมริกากำลังคนเข้าคิวกันเนแถวเพื่อซื้อสลากินแบงก็เรียกว่าอะไรมันมันคกระตกค้างอะไรอยู่เนี่ยแล้วถ้าใครถูกได้เนี่ยมันได้ถึงร้อยห้าสิบล้านดอลก็แสดงว่าเป็นมหาเศรษฐีไปเลยนะร้อยห้าสิบล้านดอลเนี่ยบางคนก็มาแต่ว่าที่จริงคนได้คนเดียวอะ บ ท, บทจริงๆคนได้คนเดียวแล้วพอโลภเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลในตัวโลภก็เมื่อประมาณปศสองพนะันห้าร้อยสามสิบสามนะอาตมาได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมะเดินสายที่สหรัฐอเมริกาก็ไปเดินทางอยู่เดือนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็อยู่บนเครื่องบินบนรถก็ห้องประชุม <c oughs> ก็มีสามจุดแต่นั้นเองแต่ว่าไปลงที่ สนามบินแห่งหนึ่งที่ลาตเวกัดที่ก็เล่นการพนันกันเยอะเนี่ยแล้วมันรอสนามรอเครื่องบินตรงนั้นนะประมาณทั้ชั่วโมงกว่าคนนี่มันย้วยเย้ไปหมดจะมีอะไรไม่รู้ที่เล่นการพนันก็มีที่ชักอะไรที่กดใสเหรียญแล้วก็กดโยกอะไรเนี่ยเรียกอะไรไม่รู้กระชี้พระดูพวกเนี้ยแมลงเม่าเป็นข้าวกองไฟเห็นไหมไม่มีคนได้อ่ะ แล้วก็ต่อคิวก็เป็นแถวต่างคนงก็นหวังว่าเพื่อไม่ได้เราได้เพื่อไม่ได้เราได้เพื่อไม่ได้เราได้วันนี้ก็หลอกหา ก, กินได้ตลอดขนาดว่าในแอร์พอร์ตนะะสนามบินคนยังเต็มเลยเรื่องเหล่านี้ยังนึกว่าเออปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาใหญ่เป็นอุปสรรคภายในใจในขณะที่เราอยากได้มากๆแต่เราก็ไม่ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไป ไม่ขยันในการพัฒนาความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาทักษะในด้านต่างๆและส่งเสริมคุณธรรมในแก่ตัวเองเพราะนั้นมันทนกระแสเยอะเลยเราก็ไม่อยากจะทํานั่นคือความขัดแย้งกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราต้องการได้มากแต่เราขี้เกียจเนี่ยมันขัดแย้งกันโดยธรรมชาติแต่มันอยู่ด้วยกันได้ภายในใจคนคนเดียวเพราะานคนแปลนี้จะไม่สําเร็จแต่ปัญหาว่าถ้าเขาขาดจัดอุปสรรคเราต้องการมากๆ แล่เราก็ต้องขจัดความเกียบคร้านซึ่งเป็นปรนานาวประศัเลยขณะเดียวกันเมื่อได้มาแล้วก็ต้องขจัดรอยรอยรั่วต่างต่างเพราะว่าการพันนาพวกนี้พวกใบายามุกทั้งหมดเนี่ยมีเยอะเป็นรูรั่วอยู่ในแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มันรูรั่วในตัวปัจเจกชนนี่ก็เยอะเรื่องไม่ควรจายก็จายไม่ควรไปก็ไปไม่ควรเที่ยวก็เที่ยว นะแม้แต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่รัฐบาลนะพูดได้แเพื่อจะเอาตัวรอดนะเศรษฐกิจ ด, ดีแล้วอ ย, งงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าคนร่วไป ก, ก็รู้ว่เศรษฐกิจมันไม่กระตืองอะไรขึ้นมายัง ม, มีปัญหาคารากาสังเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราก็สนุกสนานเราก็เพลิดเพลิเพนเราก็ไปเที่ยวทั่วต่างประเทศกันไปครึ่งลำเครื่องบินอะไรอะไรก็ไปก็สนุกสนานกันนี่คือแสดงเห็นว่ามันเป็นรอยรั่วแล้วก็เดินไม่ได้อแก้ไขปัญหาไม่ได้ ประสภาพปัญหานี่ต้องชัดเจนแล้วก็สาวสาเหตุออกไปชัดเจนแน่นอนว่าเหตุลึกจริงๆมาจากกิเลสทั้งนั้นแหละปัญหาเนี่ยแต่ว่าทํายังไงว่าองค์ประกอบคือปัจจัยเสริมมันไม่ใช่ตัวมันจริงหรอกมันเป็นปัจจัยเสริมที่ไปบันทอนตัดรอได้มากยิ่งขึ้นบางครั้งอาจจะไปคบกับคนไม่ดีบางครั้งอาจจะไปติดการละเล่นต่างๆนมันก่อนก็ หลานเข้ามาณทจริงมันพ่อเวลานไอ้นี้มันตาเรียกจริงจมันเรียกเหรนแล้วมันเรียกดวงตาแล้วสอบถามเขา้าเป็นไงเรียนหนังสือดีไหมแม่เขาบอกว่าไม่ค่อยใจหยันชอบเล่นฟุตบอลก็ชอบดูโทรทัศน์แล้วก็บอกว่าโทรทัศน์ก็ดูได้นะแต่ว่าดูเป็นไปร่าเวลาแล้วก็ดูเรื่องที่มันเสริมหลักสูตรเสิบ้างอย่ามุ่งสนุกสนานเกินไปแล้วก็การเล่นก็ก็เล่นได้ก็เป็นเไปรําเวลา แต่ถ้าม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไปให้น้ำหนักกับพวกนี้มากเนี่ยแล้วเราจะเสียเพราะเวลามันจะหดสั้นลงไปเรื่อยๆเราโลภแต่เราก็ขี้เกียจในขณะเดียวกันเราก็ไม่พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็กลายเป็นเรียกร้องต้องการให้คนเ็าช่วย นะแม้แต่เนี้ยแม้แต่สมัครสวเนี่ยมีคนบางคนก็ขอส่งแผนนั่นมาให้มั่งให้ช่วยบอกลูกศิษย์ให้ก็ไม่บอกให้หรอกเรื่องอะไรหรอกเขาห้ามไม่ให้หาเสียงอะ่ะแล้วเราก็ดูออกนะะคือคนบางคนในจริงเราก็ดูออกว่าเสียรายตังค์นะฮะที่มาสมัครเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยดีกว่ามันก็รู้กันอยู่แต่ ว, ว่าคนเวลาโลภแล้วเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญา นั่นคือความกัดแดงภายในใจเราปริษยาคนอื่นเราแข่งเดียวคนอื่นแต่เราก็ไม่ขยันเราอยากจะชนะเอาแตที่ยุ่งทั้งหมดนะนี่ก็คือยุ่งทั้งหมดเพราะในการการการศึกษาในแนวในแนวของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือพยายามใช้ปัญญาขบเจาอให้ชัดเจนสภาพปัญหานี่ต้องชัดเจนแล้วสะภาพปัญหาตรงเนี้ยบางทีมันต้องแก้เสริมเข้าด้วยนะคือก็ไปไม่รอดคล้ายกับภาคอีสานเนี่ยนะ โดยเย็นว่าภาคอีสานเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นได้มากเอาน้ําเข้าไปอยู่ไว้ได้นะคนน้าไม่ค่อยใช้เพื่อการเกษตรได้ได้แล้วก็อย่างอื่นมันจะตามมาเองไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ปัญหาใหญ่มันจะอยู่ที่น้ําป้าน้ำเรารู้สึกจะขาดแคลนนะฮะแต่ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยนะพัฒนาน้ําหรือนักน้ํามีอ่างเก็บน้ําอะไรต่ไดเนี่ยเข้าไปช่วยในกิจกรรมต่างๆเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะแต่ว่า มันก็ต้องรถไฟยมุกอ่ะตอนรถไายมุกเขไปเคยไปที่จังหวัดหนึ่งขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะคนเขาหามคนติดเหล้ามานี่เ ย, ยอะเลยที่กติวัดนั้นพระรักษาแต่คนดื่มเหล้ากันแต่นั้นเองแล้วบอกโอ้โหแต่อย่างนี้ก็แย่แล้วมันเป็นรอยรั่วของสังคมแล้วครอบครัวทำลายหมด ส อ, อย่างในทำลายหมดยาเสพติดกับการพัฒนานในทำลายหมดไม่ต้องไปออกมากเพราะาไรายได้มันจะไม่คุ้มเพราะมันเรือรั่วมันเหมือนกับตักน้ําใส่ตุ่มที่ทะลุได้ตักยังไงมันก็ไม่มีทางเต็มเพราะนั้นก็ต้องกําหนดศึกษาสภาพปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาแล้วกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนบางเรื่องเนี่ยเป้าหมายนั้นจะต้องกําหนดทิศทางร่วมกัน เช่นสมมติเราปัญหาศาสนาเอาปัญหาศาสนาเราเห็นว่าปัญหาตัวเนี้มันมีหมดเลยมันมีปัญหาในตัวของศาสนาบุคคลเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ศาสนธรรมไม่มีปัญหานะฮะศาสนธรรมนั้นมีความสมบูรณ์แต่ศาสนธรรมมันเคลื่อนไหวเองไม่ได้เมื่อต้องอาใส่ศาสนาบุคคลศาสนสถานบางคราวก็มีปัญหาไปคือสร้างมากเกินไปแล้วการใช้สอยประโยชน์เนี่ยไม่คุ้มค่า แล้วค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษานี่มากเกินไปแล้วบางครั้งบาื่อาวพระก็มีเฉพาะลวงตาก็มีปัญหาว่ า, าศาสนบุคคลก็มีปัญหาทําให้าศาสนสถานเหล่านั้นยิ่งไม่คุ้มค่าเลยราคารใหญ่โตสร้างราคาหลายสิบล้านแล้วก็ให้ลวงตาคว้าวอยู่องค์นี่ก็แย่แล้วนะทีนี้าศาสนพิธี มันก็มีปัญหาบางประการนะแต่ว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่าศาสนาบุคคลโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจมีหน้าที่มีตำแหน่งแต่ไม่ใช้อำนาจไม่ทำงานตามหน้าที่ทั้งๆ ท, ท, ที่ตนมีตำแหน่งต้องทำอันนี่ยคือตัวยุ่งที่สุดเพราะอะไรฮะมันก็คือเดิมเห็นไหมฮะคือท่านอยากเป็นนะฮะเพราะมันเป็นเป็นโลภมันเป็นปัญหาแต่ท่านไม่อยากทำเพราะมันเหนื่อยเห็นไหมก็กลายเป็นอาการขี้เกียจ ภาพอย่างนี้มันจะมีอยู่ตลอดทุกเรื่องซึ่งก็เป็นปนัญหาที่ค่อนข้างถาวรยากต่อการจะแก้ไขแล้วก็เมืองไทยคือทำให้เห็นได้อย่างหนึ่งใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่มามองว่าการที่กดมาเลือกตั้งมากเป็นพิเศษมันสะท้อนพื้นฐานของคนไทยว่าต้องมีมาตรการดังกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการข่มขู่นะฮะคนบางคนในสัมภาษณ์เนี่ยเ็าบอกว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐนั่นขู่ไปนู้นเลยนะคือต้องให้กลัวแล้วจึงแก้ปัญหาได้กลัวอะไรสักอย่างหนึ่งต้องให้กลัวแล้วก็จะแก้ปัญหาได้เนี่ยถ้าถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าเขาศึกษากันหมดทุกคนเขาอ่านหมดทุกคนเนะี่ย แล้วก็มาทํำด้วยจิตสํานึกจริงๆเนี่ยคนจะไม่มากขนาดไหนแต่ทุกขอให้ขอให้กลัวคุ้ยให้กลัวเนี่ยมันมันจะค้าอยู่เบื้องหลังแต่ทําให้คนเหล่านี้ก็กลั ว, วเออแล้วก็กลัวเป็นห่วงตัวเองนะฮะอาจจะเห็นว่าเป็นห่วงตัวเองจะไม่รักษาฟรีจะไม่ได้รับการบริการในโรงพยาบาลของรัฐอะไรก็คุ้ยเอามากๆกันก่อนจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะแต่นั้นมันก็ย้อนกลับไปเห็นว่าคนของเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ ในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบเนี่ยขาโอกาสในการศึกษาเพราะในการศึกษามันต้องมองสาภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาสาเหตุหลักสาเหตุร่วมสาเหตุประกอบสาเหตุแฝงแอะไรต่างๆนี่มันมาเยอะเลยปัญหาบางอย่างเนี่ยมันตัวสาเหตุแฝงเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคก็ได้ นะซึ่งเราจะต้องพยายามทความเข้าใจกับมันแล้วก็เป้าหมายทิศทางที่จะนำพาไปในชัดเจนอย่างศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอย่าไปยึดติดในจำนวนพระแล้วนะฮะคือจำนวนพระเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีมากคือถ้าหากวาระบบการจัดการภาษาข้างนอกดีพอเนี่ยก็บรรจุ พวกศีลธรรมจริยธรรมเข้าไปฝึกปรือพัฒนาบุคคลเราให้มีความรู้ดีมีความคิดดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีไม่ต้องเอามากแลอวฮะอยู่ในขนาดนี้กาะศีลธรรมจรญยานี่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบวชอะไรมากๆพวกบวชก็มุ่งไปสู่การทำงานที่เป็นหลักจริงๆเลยเราจะเห็นว่ามันเหมือนการศึกษานะการศึกษาเนี่ย แต่เห็ว่าการศึกษาที่เน้นไปในด้านการผลิตเนี่ยมันต้องมากต้องสร้างสารประสังคมมันมีคนเติบโตขึ้นมาเกิดขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าในระดับของปรัชญาเนี่ยคนต้องเรียนไม่มากเพราะว่าพวกนี้จะไม่ทํางานในการผลิตแต่ว่าทํางานก็ได้ประโยชน์แก่สังคมกว้างขวางนะฮะแต่เป็นเรื่องวิจิตพญญาเพราะนั้นคนที่จริงไม่ต้องมากยุคสื่ออย่างเงี้ยยุงไม่ต้องมากอะไรทั้ไป เราเป็นห่วงเรื่องปริมาณรพระภิกษุสามเณรอันตราันไม่เคยเป็นห่วงเลยคือไม่จําเป็นจะต้องมีมากก็ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเราบวชมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเออถ้าใครไปได้จริงก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าบวชอย่างที่เราเคยบวชมาเนี่ยบวชสามวันเจ็ดวันสิบแปดวันสึกเนี่ย ไ, ไม่จำเป็นนะฮไม่จําเป็นจะต้องมีมากเพราะว่าเราสามารถฝึกปลืออบรมและใช้สื่อต่างๆนี่ได้เยอะเลยแต่ว่าทํายังไงองค์กรศาสนานั้นจะกระชับนะฮะ คนไม่มากไม่เอถอะะแล้วก็ทำงานมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบสูงในงานพระศาสนามีการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การดูแลองค์กรพร า, าศาสนาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวแต่เราไปเสียเวลาในเรื่องพิธีกรรมในเยอะสวดบนชั้นเพลินสวดบนชั้นเช้าสวดมนแต่งงานอะไรไปรุงรังไปหมดเลย แล้วก็เวลาของพระก็ถูกใช้เป็นเรื่องตรงนี้เรื่องยิ่งผู้ใหญ่ยิ่งงานที่เป็นหลักเป็นเครียกเป็นน้ำเป็นเนื้อแก่ระศ า, าสนามันลดน้อยลงไปเพราะอะไรเพราะว่ากลายเป็นปัญหาทางสังคมคือคนใหญ่คนโตคนร่ารวยราชการอะไรตไรเนี่ยเขาต้องการนิ ม, มนต์พระผู้ใหญ่เราเนี่ยโดยเฉพาะหมาเทรามคมนิมนต์ท่านยุ่งไปหมดเลยแล้วผลทัศน์ก็ด่ า, ดาท่านไม่ทํางานคือเวลาทำมันไม่มี รแรงก็หมดแล้วนะโดนไปถูกนม่วนวันสองสามงานก็แยกแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันขัดแย้งกันเองโดยธรรมชาติมันะเราขัดแย้งก็อยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยต้องใช้แล้วต้องอิสระคือไม่ใช่ว่าเราจะได้เป็นอะไรเราจะได้มีอะไรเราจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าปัญหาปัญญาที่เราใช้ไปเนี่ยจะสร้างสรรค์พตลาให้เกิดประโยชน์ที่ดีงามได้ยังไงแล้วก็มองกันไปแนวนั้นเพราะงั้นองค์กรทั้งหลายเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้นะ เพรายุคสมัยอย่างเงี้ยมันจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนตลอดแล้วก็เพื่อคงเนื้อหาสาระแก่นสารเอาไว้ให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จัดการสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับบุคคลอื่นให้ได้แล้วก็มีการมองไปข้างหน้ามองให้ไกลได้เท่าไรยิ่งดีที่จริงมองไกลเนี่ยไม่ค่อยยากอะไรนะฮะถ้าเราคิดได้ดีเนี่ย คือเรามองเทียบเคียงสมมติว่าเนี่ยเราใช้เวลาช่วงหนึ่งหรือศึกษาก็ได้นะศึกษาจากเอกสารศึกษาจากวิดีโอศึกษาจากอะไรเนี่ยในบ้านเมืองต่างๆเช่นศึกษาจากสิงคโปร์ศึกษาจากมาเลเซียศึกษาจากฟิลิปปินศึกษาจากญี่ปุ่นศึกษาจากเกาหลีศึกษาจากไต้หวันอะไเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าพวกนี้บางชาติบางชาติก็อยู่ใกล้เคียงกับเราบางชาติก็ล่ำหน้าเราไปหลายปีบางชาติก็ร่ำหน้าเราไปถึงสามสีปีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไปไกลเยอะเลย เราก็ศึกษาดูว่าเออของเรานี่สี่สิบปีข้างหน้านี่อะไรไมันจะโตเท่าไรคนจะเท่าไรการษาจะขยายยังไงที่ลาไ ม, ม้ากินจะอยู่ยังไงรง อ, อุตสาหกรรมจะออกมาลักษณะได้มันก็มองให้ตลอดซึ่งก็หมายความว่าคนต้องมีความพร้อมเพรียงกันแล้วก็ทำงานด้วยจิตปัญญาของผู้บริหารซึ่งมีลักษณะเป็นการบริการการบริหารที่ส่งประสิทธิภาพก็คือบริการที่ส่งประสิทธิภาพนั่นเอง หมายความว่าผู้รับบริการรู้สึกได้รับประโยชน์จากการบริหารการบริหารนั้นจึงกลายเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจของผู้ที่ถูกบริหารนะใล้ยๆกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเราจะเห็นว่างานของพระองค์มีลักษณะบริการสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมโครงการราัฐบาลทั้งหลายเนี่ยมันมีแต่ให้ให้ให้ให้ไปเลยคนก็รู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็มอบความจงรักภักดีทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปเพื่อพระองค์ท่านเราจะเห็นว่า เมื่อเรามีแบบอย่างที่ดีอยู่แล้ว่ในบ้านในเมืองเรานะมีแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เดินไปเองแล้วนั้นนั่นก็คือปัญหาใหญ่ที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคอยู่มากต้องฟังตั้งไหนใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี